คนเราเนี่ยนะมีโอกาสน้อยมากที่จะตายแบบปุบปับกระทันหันประมาณว่าสิบเปอร์เซ็น่ะที่ตายแบบบกระทันหันปุบปับเช่นหัวใจวายเครื่องบินตกอุบัติเหตุสึนามิแผ่นดินไหวตึกถลม่มนะหรือว่าถูกทำร้าย เก้าสิเปอร์เซ็นต์เนี่ยจะจะตายแบบช้าๆด้วยโรคที่เรื้อรังซึ่งเดี๋ยวนี้ก็มีสีห้าโรคใหญ่ๆมะเร็งโรคหัวใจไตาวายโรคหลอดเลือดสมองหลอดเลือดสมองนี่ก็ทำให้เป็นอมัมพฤกษ์อวภาพนะแล้วก็เบาหวาน นัในช่วงที่เจ็บป่วยเนี่ยนะมันก็จะเกิดทุกขเวทนาวันนั้นเนี่ยทุกขเวทนาก็เป็นเป็นสิ่งที่เรามีโอกาสที่จะต้องเจอในวันข้างหน้า จริงๆในวันนี้ก็คงจะได้เจอกันบ้างเช่นปวดเมื่อยแต่ว่ามันยังเล็กน้อยมากเมื่อเทียบกับความเจ็บป่วยในระยะท้ายนนการดูแลเรื่องกายเนี่ยก็เป็นเรื่องสาคัญการดูแลกายเพื่อที่ทาให้ความเจ็บป่วยทุเลาเบาบางเรื่องดูแลใจก็สำคัญนะแต่ว่า อ่มันต้องทำไปพร้อมๆกันหรือทำไปด้วยกันดูแลกายดูแลใจเพื่อการตายดีนะเมื่อเราพูดถึงการดูแลกายเราก็มักจะนึกถึงแต่เรื่องการรักษาโรคให้หายแต่ว่ามันก็จะมีโรคหลายโรคที่รักษาไม่หาย หรืออาจจะรักษาหายได้ในบางในบางระยะแต่พอถึงระยะสุดท้ายมันก็รักษาไม่ได้หลายคนเนี่ยไม่ค่อยได้ตระหนักนะว่าไอ้ทุกขเวทนาที่เกิดกับตัวเองในระยะท้ายเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากโรคภัยไข้เจ็บอย่างเดียว บ่อยครั้งก็เกิดจากการรักษาการเยียวย า, าที่ได้รับจากหมอหรือในโรงพยาบาลเพราะว่าคนเราเนี่ยพอป่วยในโรคกรายเนี่ยหลายคนก็เลือกที่จะใช้วิธีการยื เพราะว่ากลัวตายก็ยือ้อไอการยื้อนี่แหละหนะ้าที่ทำให้หลายคนเนี่ยป่วยหรือปวดหนักกว่าเดิมหรือว่าปวดโดยไม่จำเป็นในอเมริกาตอนเนี้ยเขาพบว่าในช่วงสิบปีหลังๆเนี่ย คนตายด้วยความเจ็บปวดด้วยความทุกข์ทรมานมากขึ้นด้วยความสับสนแล้วก็ซึมเศร้ามากขึ้นมันก็น่าแปลกนะว่าทำไมในยุคนี้เนี่ยเรามีเทคโนโลยีก้าวหน้ามากขึ้นแต่ทำไมคนกลับตายด้วยความเจ็บปวดมากกว่าเดิมเขาพบว่า เป็นเพราะเดี๋ยวนี้ค น, นไปตายที่โรงพยาบาลกันมากขึ้นไม่ได้ตายที่บ้านถ้าไม่ตายที่โรงพยาบาลก็รับพักคนชรามันก็มีคําถามว่าโรงพยาบาลเนี่ยนะในอเมริกาเนี่ยเทคโนโลยีเพียบเลยและทําไมเนี่ยเมื่อไปตายที่โรงพยาบาลเนี่ยมันถึงปวดถึงทุกข์ทรมานนะกว่าที่อื่นหรือมากกว่าเมื่อก่อน แล้ก็พบว่าเป็นเพราะว่าการยืมนี่แหละโรงพยาบาลเนี่ยมีเทคโนโลยีอยู่สองประเภทหนึ่งเทคโนโลยีที่ทําให้ปวดน้อยลงกับเทคโนโลยีที่ทําให้ปวดมากขึ้นนะเทคโนโลยีที่ทำให้ปวดมากขึ้นเนี เ, นเทคโนโลยีที่ใช้ในการยืมนี่แหละอเมริกาจะพบว่าคนป่วยที่เป็นมะเร็งระยะท้ายเนี่ย หนึ่งในแปดเนี่ยนะฉายแสงแม้กระทั่งสองอันที่สุดท้ายข้างหน้าที่ไม่มีประโยชน์สองอนที่สุดท้ายอ่ะฉายแสงไปทำไมคนอายุมากกว่าหกสิบห้าปีที่ตายในโรงพยาบาลเนี่ยหนึ่งในสามผ่าตัดใหญ่ในปีสุดท้ายหนึ่งในห้าผ่าตัดใหญ่ในเดือนเดือนสุดท้าย แล้วก็ร้อยละแปดเนี่ยผ่าตัดใหญ่มากระทั่งในที่สุดท้ายคำถามคือผ่าทำไมในที่สุดท้ายใช่อาจจะคิดว่าผ่าเพื่อให้รอดแต่กลับตายอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นในในหลายประเทศที่เขามีเทคโนโลยีพัฒนาแล้วก็มีความร่ำรวยซึ่งประเทศไทยก็กำลังเดินตาม ประเทศเหล่านั้นไปนแล้วเราก็พบว่าคนไทยเนี่ยนับวันเนี่ยโดยเฉพาะในเมืองนี่นะมีโอกาสที่จะตายด้วยความทุกข์ทรมานมากขึ้นเพราะว่าคิดแต่จะวังพึ่งการยื้อชีวิตจากโรงพยาบาลยิ่งรวยเท่าไหร่เนี่ยยิ่งตายด้วยความทุกข์ทรมานมากขึ้นแปลกนะแต่นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในในในอเมริกาในยุโรปในญี่ปุน่น ยิ่งคนมีฐานะดีขึ้นยิ่งตายด้วยความทุกข์ทรมานมากขึ้นากา็กลายไปว่าทุกวันนี้เนี่ยคนสมัยเนี่ยอยู่สบายกว่าเดิมแต่ก็ตายลําบากกว่าเดิมตายลําบากในที่นี่หมายความว่าใช้เวลานานกว่าจะตายแล้วการยือ้อหรือแล้วก็สองตายด้วยความทุกข์ทรมานกว่าเดิมมันแปลกเนอะ คนสมัยก่อนเนี่ยอยู่ลำบากแต่ตายสบายไม่กี่วันก็ตายแล้วเพราะตายจะลยรติดเชือ้อไม่กี่วันหรอกแต่คนสมัยเนี่ยอยู่สบายแต่ตายลำบากกว่าเดิมเพราะการยือ้อแต่ที่จริงเนี่ย ไ, ไม่ต้องตายด้วยความทรมานเลยก็ได้เพราะว่ามันมีวิธีการรักษาหรือวิธีการดูแลที่ไม่ใช่การยือ้อ เขาเรียกว่าการดูแลแบบประคับประคองซึ่งเป็นการดูแลทั้งกายและใจในส่วนดูแลกายทั้งหมดเนี่ยดูแลกายและใจก็เพื่อหนึ่งเพื่อลดความทุกข์ทรมานสองเพื่อทำให้คุณภาพชีวิตเนี่ยมันไม่แย่ลงหรือมันไม่แย่มากแต่ว่าคนคนส่วนใหญ่ไม่เคยรู้จักการดูแลแบบนี้การดูแลแบบประคับประคอง ทั้งทั้งที่มันมันช่วยได้เยอะเมืองไทยเนี่ยนะหมอที่รู้เรื่องดูแลแบบประคับประคอง ม, มีน้อยนะตะมาเคยถามบอกมีไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นตะส่วนใหญ่เนี่ยถ้าผู้ป่วยอาการหนักระยะท้ายเนี่ยถ้าเกิดเข้าโรงพยาบาลนะยือสถานเดียวหรือว่ายือเป็นส่วนใหญ่แต่ก็ น, นี้ไม่ดีคือโรงพยาบาลหลายแห่งก็เริ่มมี แพะมีมีมีแผนกแบบการดูแลแบบประคับประคองแต่เป็ น, นแผนกเล็กๆหมอพยาบาลที่มีความรู้ก็ยังไม่มากและวิธีการดูแลแบบประคับประคองยังไม่ได้อยู่ในหลักสูตรโรงเรียนแพทย์ทั้งที่มันเป็นแนวโน้มที่กำลังเติบโตขึ้นมากในหลายประเทศโดยเฉพาะอเมริกา ผพ ม, มีหลักฐานการวิจัยที่เชื่อเห็นว่าการดูแลแบบ ป, ประคับประคองเนี่ยมันทําให้คุณภาพชีวิตของคนไข้เนี่ยดีขึ้นไม่ให้ดีขึ้นหมายถึงว่ายังไม่แย่ลงจนกระทั่งในระยะท้ายเทียบรายต่อรายแล้วเนี่ยระหว่างคนที่ถูกยืดกับคนที่ดูแลแบบประคับประคองเนี่ยอธิสุดท้ายเนี่ยคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยกลุ่มที่สองเนี่ยดีกว่า พรไม่ต้องมีสายโดยยงระยางไม่ต้องเจาะคอไม่ต้องเอาอะไรใส่ปากใส่คอสามารถสื่อสารกับพวกสามารถสื่อสารกับญาติกับญาติมิตรได้คุยกับลูกได้คนไข้ที่ตมาเล่าเมชาว่าเนี่ยเขาบอกว่าเขามีความสุขนะทั้งที่เขาใกล้จะตายแล้วเนี่ยส่วนหนึ่งเพราะเขามีโอกาสได้ปฏปฏิสัมพันธ์คุยคุยกับหลาน เขไม่มีการเจาะค อ, อไม่มีการใส่ท่อเขาคุยกับร้านเขมีความสุขที่ร้านไม่เยี่ยมที่จริงเขาไม่ได้ป่วยที่ไหนเขาป่วยที่บ้านนั่นแหละได้คุยกับร้านได้คุยอะไรแต่ถ้าคนไข้ที่ระยะท้ายส่วนใหญ่นะถ้าในโรงพยาบาล น, นะคุยไม่ได้แล้วนะมีท่ออยู่ในคอหรือแม่ก็เจาะค อ, อแล้วก็พราะว่าผู้ป่วยระยะท้ายเนี่ย ที่ยื้อเนี่ยตั้งใจจะยื้อเพื่อให้มีชีวิตยืนยาวขึ้นแต่ปรากฏว่าเอาเข้าจริงๆเนี่ยอายุสั้นกว่าผู้ป่วยที่เขาไม่ยือ้อแต่ว่าดูแลแบบประกับประคองอันนี้เขาเ้ามีการเปรียบเทียบกันแบบแบบชัดเจนผู้ป่วยมะเร็งปอดระยะท้ายที่ยื้อกับผู้ป่วยมะเร็งปอดระยะท้ายที่ไม่ยื้อเนี่ยในดูแลในฮอสปิสปกว่า อยู่ได้ยืนยาวกว่าผู้ป่วยที่ยื้อในไอซเนี่ยยี่สิบ้าปอร์ซ็นตหมายความว่าผู้ป่วยที่ยื้อในโรงพยาบาลเนี่ยอยู่ได้เก้าเดือนไอที่ไม่ยื้อแต่ว่าดูแลแบบประคับประคองอยู่ได้สิบสองเดือนไม่เป็นมะเร็งปอดมะเร็งตับโรคหัวใจตัวเลขมันชี้เลยว่าผู้ป่วยที่ไม่ยื้อเนี่ยแต่ดูแลแบบประคับประคองเนี่ยสังกัที่ไม่ตั้งใจจะให้มีอายุยืนนะแต่กับอายุยืนกว่า แล้วคุณภาพชีวิตก็ดีขว่าด้วยมีนำซ้ำญาติญาติของผู้ป่วยสองประเภทนี้ก็แตกต่างกนะผู้ป่วยญาติกับผู้ป่วยที่ยื้อเนี่ยในไอซูเนี่ยผู้ป่วยตายไปแล้วเนี่ยภายในหกเดือนญาติมีโอกากสเป็นโรคซึมเศร้าเป็นสามเท่าของญาติผู้ป่วยที่ไม่ยือ้อแต่ดูแลแบบประคับประคอง น, นี่ฝรั่งนี่เขาทาอเมริกาก็ทําวิจัยก็เห็นชัดเลยว่าการดูแลแบบประกบคองเนี่ยมันดีกว่าแต่ว่าคนส่วนใหญ่ยังเลือกที่จะยื้อเพราะกลัวตายนะแต่บางครั้งเนี่ยมันไม่ใช่ผู้ป่วยที่เลือกนะใครที่เลือก <Yeah. S 1> ยากนะอันนี้เป็นมากในเมืองไทยนะแต่ในอเมริกาเดี๋ยวนี้เขาหลายคนเ ข, เขาเขาเขียนเอาไว้เลยลุ่งหน้านะว่าถ้าเขา อยู่ในระยะท้ายแล้วก็รักษาไม่หายไม่ต้องยือ้เอเดี๋ยวจะให้ดูคลิปนะวิดีโอนะอที่พูดถึงเรื่องเนี้ยเรื่องการดูแลแบบประคับประคองสั้นๆห้า น, นาทีนะแล้วให้เราลองมาพิจารณาดูนะว่าถ้าเป็นเราเนี่ยหรือถ้าเป็นคนรักของเราเนี่ยเมื่ออยู่ในระยะท้ายเนี่ยนะเราจะเราจะมีทางเลือกที่ดีกว่าการยื้อไหม <osas S 2> เดี๋ยวขาเชิญดูคลิปเทคโนโลยีทางการแพทย์ ในปัจจุบันเอื้อให้ผู้ป่วยระยะท้ายของชีวิตมีทางเลือกในการดูแลมากขึ้นบางคนเลือกที่จะยื้อชีวิตให้ยาวนานที่สุดหรือบางคนเลือกที่จะจากไปอย่างสงบตามธรรมชาติเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดเช่นการหยุดหายใจกระทันหันโดยปกติแพทย์และพยาบาลก็จะช่วยทุกวิธีทาง เพื่อให้ผู้ป่วยมีชีวิตอยู่ได้นานที่สุดบางครั้งอาจต้องแลกมาด้วยความเจ็บปวดหรืออึดอัดไม่สุขสบายของผู้ป่วยเมื่อต้องได้รับการปั๊มหัวใจเมื่อต้องหายใจผ่านทางท่อหรือเมื่อต้องให้อาหารทางสายยางเป็นต้นถ้าผู้ป่วยประสงค์จะใส่เครื่องช่วยหายใจแพทย์จะสอดใส่ท่อทางปากเข้าไปยังกล่องเสียง ผ่านไปถึงหลอดลมนั่นหมายถึงว่าผู้ป่วยจะไม่สามารถรับประทานอาหารหรือพูดได้นะคะอีกอย่างหนึง่งผู้ป่วยจะหลับตลอดเวลาเนื่องจากหักหายใจไม่สัมพันธ์กับเครื่องเราจําเป็นต้องให้ยาที่ระงับความปวดและระงับความรู้สึกค่ะนอกจากนี้ผู้ป่วยในระยะท้ายมีโอกาสที่จะเกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นได้ตลอดเวลา เมื่อผู้ป่วยเกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นแพทย์พยาบาลจะทำการปั๊มหัวใจหรือ CPR ผู้ป่วยเพื่อให้หัวใจกลับมาเต้นอีกครั้งโดยการทำจะใช้อุ้ง ม, มือทั้งสองข้างกดบริเวณกลางหน้าอกลึกลงประมาณ2นิ้วและคลายออกอัตราการกดอยู่ที่100ครั้งต่อ น, นาทีหรือใช้การช็อตไฟฟ้าร่วมกับให้ยาบางชนิดร่วมด้วยค่ะจากสถิติการปั๊มหัวใจผู้ป่วยวิกฤตมีเพียงสองใน10คน ที่สามารถมีชีวิตรอดจนออกจากโรงพยาบาลได้โดยเฉพาะผู้ป่วยมะเร็งมีโอกาสรอดน้อยกว่าหนึ่งในสิบคนและยิ่งเป็นผู้ป่วยระยะท้ายโอกาสที่จะกลับมายิ่งน้อยกว่านั้นนอกจากนี้ยังอาจเกิดผลข้างเคียงเช่นกระดูกซี่โครงหักหรือปอดทะลุได้ผู้ป่วยระยะท้ายบางคนได้แต่นอนบนเตียงในโรงพยาบาลโดยไม่รู้สึกตัวพูด หรือรับประทานอาหารไม่ได้หากผู้ป่วยเลือกที่จะมีชีวิตอยู่ให้นานที่สุดแพทย์จาเป็นต้องให้อาหารทางสายยางการให้อาหารทางสายยางแพทย์จะทำการใส่สายเข้าทางจมูกผ่านลำคอลงไปในกระเพาะอาหารจากนั้นจะใส่อาหารเข้าทางสายยางการให้อาหารทางสายยางนี้ในบางภาวะอาจทำให้ผู้ป่วยมีชีวิตอยู่นานขึ้น แต่ก็ไม่ได้สามารถทำให้ผู้ป่วยหายกลับมาเป็นปกติค่ะการเลือกรับการรักษาหรือปฏิเสธการรักษานี้ทุกคนสามารถเลือกได้โดยแจ้งความประสงค์ไว้ใน living v i l l หรือหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะขอรับบริการสาธารณสุขที่เป็นไปเพียงเพื่อยืดการตายในวาระสุดท้ายของชีวิต หรือเพื่อยุติการทรมานจากการเจ็บป่วย Living ง i ิวเป็นเหมือนคำถามกลับไปบอกทุกคนว่าในอนาคตหากเราเป็นผู้ป่วยระยะวิกฤตหรืออยู่ในระยะท้ายเราต้องการการรักษาอย่างไรเราต้องการที่จะยืดชีวิตของเราให้อยู่อย่างนานที่สุดหรือต้องการข้ามขั้นตอนการรักษาบางอย่างหรือต้องการที่จะใช้ชีวิตในระยะท้ายอยู่ในสถานที่ที่ใด ทั้งนี้ทีมแพทย์และพยาบาลจะเป็นผู้แนะนำวิธีการรักษาบอกถึงข้อดีและข้อเสียของการรักษาแต่สุดท้ายแล้วนั้นผู้แจ้งความประสงค์ใน l i v วิ g Will จะเป็นผู้ให้คำตอบและตัดสินใจการรักษาเองค่ะแม้ผู้ป่วยจะมีเจ็บจำงที่ไม่ขอรับการรักษาเมื่อถึงวาระสุดท้ายแพทย์จะยังดูแลประคับประคองเพื่อบรรเทาความเจ็บปวดอย่างเต็มที่ ให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดและสามารถจากไปอย่างสงบตามเจตนารมณ์ที่ตั้งไว้ มีคลิปหนึ่งอ่ะดูอันนี้จะเพิ่มเติมขยายความอีกหน่อยนะความหมายสจรรย์อย่างหนึ่งของชีวิตคือเราไม่อาจรู้ล่วงหน้าได้ว่าชีวิตของเราจะเจอเจอกับอะไรบ้าง ระหว่างทางเราอาจต้องเจอเรื่องที่ไม่คาดฝันเวลาแห่งความสุขอาจถูกทำให้สั้นลงแม้การจากไปของคนที่รักจะเป็นความสูญเสียยิ่งใหญ่ที่ไม่อาจหาได้เปรียบแต่ความปวดร้าวเพราะไม่สามารถใช้เวลาช่วงสุดท้ายของชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างมีคุณค่าน่าจดจำ อาจเป็นเรื่องที่น่าเสียดายและกัดกร่อนหัวใจไปยาวนานยิ่งกว่าเพราะโอกาสนั้นผ่านไปแล้วและไม่มีวันหวนคืนถ้าเราตระหนักได้ว่าการพบกันครั้งนี้อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่ใครคนหนึ่งจะหมดลมหายใจเราอาจพูดคุยกันอย่างอ่อนโยนขึ้นคืนดีกันให้อภัยอาโหสิ ก, กรรม บอกกล่าวและแสดงออกถึงความผูกพันในหัวใจเพื่อใช้เวลาช่วงสุดท้ายนี้ให้คุ้มค่าที่สุดการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายก็เช่นเดียวกันหากเรารู้ว่าเหลือเวลาอีกไม่นานทั้งผู้ป่วยและญาติก็ควรใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ร่วมกันให้มีความสุขที่สุดการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคองหรือ palliative care เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีสุขสบายทั้งใจกายอบอุ่นหัวใจอยู่กลางหมู่ญาตินิดในช่วงเวลาสุดท้ายและจากไปอย่างสงบสมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ผู้ที่เข้าสู่กระบวนการรักษานี้คือผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่แพทย์วินิจฉัยแล้วว่าอาการของโรคอยู่ในระยะลุกลาม มีครอบบ่งชี้ว่าอยู่ในระยะท้ายๆของโรคร่างกายไม่ตอบสนองต่อการรักษาหรือกระบวนการทางการแพทย์ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้เป็นการทำงานร่วมกันของแพทย์พยาบาลและบุคลากรด้านสาธารณาสุขโดยอาศัยความร่วมมือจากผู้ป่วยและญาติมิตรเป็นหลักเพื่อวางแผนการดูแลล่วงหน้าที่เรียกว่า Advanced Care Plan ให้ตรงตามความต้องการของผู้ป่วยมากที่สุดโดยเปลี่ยนเป้าหมายจากที่มุ่งรักษาให้หายขาดจากโรคมาเป็นการดูแลรักษาให้ผู้ป่วยรู้สึกสบายมีคุณภาพชีวิตที่ดีรวมทั้งควบคุมอาการรบกวนต่างๆเช่อนอาการปวดเหนื่อยอหอบหายใจลำบากท้องผูกแผลกดทับ คลื่นไส้เบื่ออาหารและอาการอื่นๆตามลักษณะของโรคซึ่งแพทย์จะเลือกทําหัตถการเฉพาะที่จําเป็นหรือทําให้สบายผ่อนคลายเพื่อให้ผู้ป่วยใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ยังมีความสุขเมื่อผู้ป่วยและญาติพร้อมกับทีมแพทย์พยาบาลร่วมกันตัดสินใจเพื่อรักษาผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคอง แพทย์จะชี้แจงข้อมูลที่จำเป็นและเริ่มต้นวางแผนการดูแลรักษาร่วมกันโดยผู้ป่วยอาจเลือกรักษาที่โรงพยาบาลซึ่งมีทีมที่ให้บริการรักษาแบบประคับประคองอยู่หรือจะกลับไปรักษาตัวที่บ้านก็ได้ตามความประสงค์หากต้องการกลับบ้านผู้ป่วยและญาติจะได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลรักษาในระยะสุดท้ายจนกระทั่งเสียชีวิต เช่นวิธีสังเกตอาการวิธีใช้อุปกรณ์และการจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมซึ่งผู้ป่วยจะยังคงได้รับยาและนัดตรวจดูอาการตามลักษณะโรคพร้อมกับมีทีมเยี่ยมบ้านติดตามอาการและให้คำแนะนำเป็นระยะระยะด้วยเมื่อไรที่ครอบครัวรู้สึกกังวลก็สามารถโทรศัพท์ปรึกษาทีมเยี่ยมบ้านได้ทันที และยังมีสิทธิ์ที่จะกลับมารักษาที่โรงพยาบาลได้เสมอหากผู้ป่วยต้องการแม้แนวทาง Palliative Care จะไม่ได้หวังให้ผู้ป่วยหายจากความเจ็บป่วยแต่ก็ไม่ใช่เพียงการอยู่รอให้ความตายเคลื่อนเข้ามาถึงเพราะความหวังสูงสุดของการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคองคือการใช้ทุกนาทีร่วมกันอย่างมีความหมาย ปลดทุกข่วงในหัวใจให้ทุกคนเชิญหน้ากับการพลากจากกันอย่างมีศักดิ์ศรีและจดจำช่วงเวลาที่ดีงามนี้ตลอดไป ก็คงจะได้เห็นแนวคิดนะแล้วก็วิธีการของการดูแลแบบประคับประคองนะซึ่งมันจะช่วยทำให้การตายดีของพวกเราเนี่ยที่ได้พูดกันเมื่อเช้าเนี่ยมันเป็นไปได้มากขึ้นเพราะว่าความเจ็บปวดเนี่ยมันก็เป็นอุปสรรคของการตายดีอย่างหนึง่งแต่ความเจ็บปวดเนี่ยทุกวันนี้มันไม่ได้เกิดจากโรกภคภัยไข้เจ็บอย่างเดียวแต่มันเกิดจาก วิธีการดูแลนะซึ่งบางครั้งวิธีการดูแลทำให้เจ็บปวดอาจจะยิ่งกว่าโรคภัยไข้เจ็บสิแต่น้อยน้อยเนี่ยถ้าเรายังไม่สามารถจะลดความเจ็บปวดจากโรคภัยไข้เจ็บในระยะท้ายได้ก็ไม่ควรจะให้มีความเจ็บปวดเพิ่มขึ้นจากวิธีการดูแลนะตอนนี้การดูแลปร ะ, ปร ะ, ประคบรองก็ เป็นที่สนใจของผู้คนมากขึ้นแล้วก็เดี๋ยวนี้ในโรงพยาบาลหลายแห่งนะเขาก็พยายามสนับสนุนให้ผู้คนเนี่ยคนป่วยเนี่ยได้รู้จักและเข้าใจเพื่อว่าจะได้เลือกการตายที่เหมาะกับตัวเองได้แม้กระทั่งเลือกการเลือกสถานที่ตายในภาคอีสานเนี่ยนะเดี๋ยวนี้แทบทุกอำเภอ ผู้ป่วยสามารถเลือกไปตายที่บ้านได้แล้วก็โรงพยาบาลอํเเออาเภอเนี่ยร่วมมือกับรอพสตเนี่ยเขาก็จะไปไปเยี่ยมบ้านนะหรือว่าไปไปให้ยาระงับ ป, ปวดนะซึ่งทําให้คนไข้หลายคนซึ่งอยากจะตายที่บ้านเนี่ยเขาก็ได้ตายที่บ้านสมใจแล้วก็ไม่ได้ทุกทรมานมากแต่ว่าบริการแบบนี้ในกรุงเทพไม่มีนะกรุงเทพมีถ้าอยากจะตายนี่นะ ตายที่บ้านลำบากมากเลยนะพ่อหนึ่งเนี่ยไอเป็นบ้านชอบเป็นคอนโดนะใช่ไหมแล้วสองลูกหลานก็ไม่อยากให้ตายที่บ้านนะเดี๋ยวไม่มีมีปัญญาดูแลใช่ไหมขนาดมีลูกเล็กๆ เ, เนี่ยนะ่็ต้องหาทางส่งลูกเล็กไปนอสเซอรี่ไปพรีนอสเซอรี่ก็มีพาอไม่มีปัญญาที่จะดูแล เนื่องจากพ่อแม่ของเด็กเนี่ยก็ต้องไปทำงานใช่แล้วยิ่งมีคนป่วยระยะท้ายเนี่ยคนที่บ้านจะมีปัญญาดูแลไมไม่มีปัญญาก็ต้องพาไปโรงพยาบาลโโรงพยาบาลก็ไปเจอกับการแพทย์การดูแลแบบยือ้อนะถึงแม้เขาจะไม่ยือ้อเขามีการดูแลแบบเขประคองถึงจุดนึ่งเขาก็ต้องให้กลับบ้านกลับบ้านแล้วกลับยังไงอะ หมอเยี่ยมบ้านก็หายากนะไม่มีโรงพยาบาลสตอที่จะมาช่วยดูแลงนั้นคนกรุงเทพเนี่ยตอนนี้เนี่ย เ, เรียกว่าเสียเปรียบนะคนชนบนเนี่ยโดยเฉ พ, ะพาะอีสานอีสานตอนนีเ้เขาเข้มแข็งมากนะชาวบ้านเนี่ยเรือกมาตายที่บ้านได้หมู่บ้านของตะมาหลายคนเนี่ยชาวบ้านหลายคนเนี่ยก็ตายที่บ้านแล้วก็โรงพยาบาลก็ก็มามาเยี่ยมนะแล้วก็มาให้มอร์ฟีน มีบางรายเนี่ยอยู่อยู่โรงพยบาบาลเนี่ยโหยเจาะคอใส่ท่อมันไม่่งกักบเจาะคอเนแต่ว่าเขาเรียกว่าอาการแย่เต็มทีนะขอกลับบ้านหมอบอกกลับได้ยังไงถอดท่อช่วยใจหรือถอดหรือเอา Mask ออกซิเจนมาสอเนี่ยจะรอดเหรอเขายืนยันนะบอกกว่าพอ กลับบ้านเนี่ยอยู่ได้เป็นสองเดือนนะแล้วเพราะเขาสบายใจนะได้กลับบ้านแล้วก็มีโรงพยาบาลเนี่ยเขาเอาก็เรียกว่าสลิงไดเวอร์เป็นเครื่องเล็กๆนะที่ช่วยช่วยในการส่งมอร์ฟีนเนี่ยให้กับคนไข้ทีละนิดทีละนิดทิละนิดมันเป็นตัวควบคุมการให้มอร์ฟีนโดยที่ ชาว บ, บ้านก็ทำได้แล้วเขาก็ไม่ปวดทรมานมากแต่บริการแบบนี้กรุงเทพไม่มีนะคนกรุงเทพเนี่ยนะยากอันนี้เพราะเรากรุงเทพยังไม่ได้ตื่นตัวเรื่อง palliative care อ่าอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องต้องคิดกันนะเพราะว่าถ้าเราไปใช้วิธีการดูแลแบบยื้อเนี่ยแล้วมันเกิดความทุกข์ทรมานขึ้นมาเนี่ย ตายก็ตายยากแล้วก็ทรมานด้วยนะทุกทั้งผู้ป่วยทุกทั้งญาตินะญาติก็เสียใจว่าแหมไม่น่าตัดสินใจแบบนี้เลยคนไข้ก็พูดไม่ได้ก็สงสัยตาบิมวอร้องขอปล่อยฉันไปเถอะปล่อยฉันไปเถอะปิดเครื่องซะแต่ทำไม่ได้นะกลัวว่าปิดเครื่องเราจะกลายเป็นปรนาทิบบาศหรือว่าถอดท่อแล้วจะกลายเป็นประทับบาศกลายเป็นปัญหา เว้ทายดีเนี่ยถ้าไม่แน่ใจก็อย่าเพิ่งใส่ถ้าใส่แล้วมันถอดยากนะถ้าส่วนใหญ่พอใส่เข้าไปแล้วก็มาเสียใจทีหลังว่าไม่น่าเลยพะฉะนั้นอันนี้เนี่ยก็จะเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นเรื่องหนึ่งนะที่ต้องคิดกันเดี๋ยวอ่าตอนนี้เราก็ใกล้ความตายไว้ทุกทีแล้วนะเดี๋ยวเราทำในทำที่ในกรรม